ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังังใลายเสียงทำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนอเจโตขีลสูตรสืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาอยู่ในเรื่องที่พระตาอาจารย์อัตถาอธิบายอยู่สองวันวันนี้ก็จะขึ้นประสูตรใหม่ชื่อว่า วนปัทสูตรคือพระสูตรที่ทรงสัตเทศของการอยู่ป่าอยู่ป่าชัดนะฮะใช้คำว่าอยู่ป่าชัดก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ต, ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศตรูก็ทรงประสบกับปัญหาในป่าแล้วก็ทรงแก้ปัญหาอยู่ในป่า ในที่สุดก็ได้จัดสรุปเพราะก็เหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นซ้ำซากแก่ภิกษุสามเณรที่ไปอยู่ในป่าตอเมื่อพู้เจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันนันเป็นอารามของอนาถบินการเรษฐีในเมืองสาวัตชีก็ได้รับสั่งเรียกพิสุทั้งหลาย ก็เป็นแนวพระสูตรที่เคยบอกนะว่าเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอัศยาศัยของพระพุทธองค์เองคือมีพระประสงค์จะส่งแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายคือเกื้อกูลต่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรมระดับไ ต, ตรสิกขาคือจิตตสิกขาปัญญาสิกขาพูดง่ายๆว่าไปเจริญกรรมฐาน รอาจจะเรียกว่าเจริญสมถกะก็ได้วิปัสสนาก็ได้ก็แล้วแต่กรรมฐานที่ท่านเหล่านั้นเจริญเลยสรุปว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างมากคือลักษณะของความพร้อม <c oughs> ถ้าเราขาดความพร้อมอนีย่ยังไงเราก็ทำไม่ได้เพคยลองสังเกตต้นแบบของกระบวนการความคิด ของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัสร์ุเพื่อความคิดที่จะทำลายความเกิดอันเป็นที่มาของความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยได้เกิดขึ้นในพระราชวังโระทรงเห็นว่าถ้าอยู่ในพระราชวังเนี่ยไม่มีทางที่จะค้นคว้าหาความจริงในเรื่องของชีวิตจนสืบสาวไปถึงสาเหตุของความเกิด แล้แม้แต่ตัวความเกิดเองได้เพาลจึงได้แต่สินพระทยเสด็จออกไปสูป่ป่าหลังจากผ่านการศึกษาในสำนักอลาดาบทการามโคดุตกะดาบทรั ม, มบุตรจนถือว่าสูงสุดสำหรับยุคสมัยนั้นหมายความวตาการทางจิตยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดอยู่แค่เนวสัญญาณาัญญาจัตนาซึ่งเป็นรูปฌาน แล้วก็ท่านก็เสด็จสุขอยู่ด้วยฌานก็แล้วแต่ว่าท่านติดอยู่ในฌานไหนก็พร้อมที่จะติดได้ทั้ง8ดฌานนั่นแหละแม้แต่ระดับสมาธิท่านก็ติดอยู่ได้ตอนมาเป็นทุกขระกิริยาเนี่ยมันใช้วิธีการทรมารร่างกายอย่างเดียวมันก็เพื่อไม่ให้มีคนขัดขวางในการทรมารร่างกาย หรือมีคน ม, งมุงดูพระองค์ก็หลบเข้าไปอยู่ในถรร้มในปัจจุบันที่เรียกว่าดงกสิริซึ่งหมายความว่าคนรู้เห็นการพระมาณร่างกายของพระองค์เนี่ย mm hmm. ก็คือผู้ปัญญวคีแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตะฮะตอนที่ทรงเปลี่ยนวิธีเนี่ย เ, เสด็จสวนล้มแล้วก็สลบไป เพราะขาดอาหารอย่างรุนแรงเด็กเลี้ยงแพะซึ่งอยู่ในวนรณะต่ำได้เอาน้ำนมมาป้อนใส่โอดแล้วก็ฟื้นขึ้นนั้นก็แสดงเห็นว่าก็ไม่ได้ประทับอยู่ที่ถ้ำในดงกสศริอย่างเดียวแต่ว่าก็คงจะเสด็จลงมาข้างล่างเพราะเด็กเลี้ยงแพะจะไปเห็นอยู่ในถ้ำนีคงเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าตอนที่ทรงตัดสินพระไทยเปลี่ยนมาเป็นเพียงทางจิตมันก็ต้องใส่ความพร้อมเยอะที่ตอนรีกว่าสับบายะหมายความปัจจัยข้างนอกเนี่ยเกื้อกูลให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ปฏิบัติเพราะสาบดที่ตกายอย่างกระสับกระส่ายเนี่ยจิตจะสงบไม่ได้แล้วถ้าจิตกระสับกระส่ายก็กายก็สงบไม่ได้เหมือนกัน เราก็ต้องแก้แก้ปัญหาตั้งแต่สภาพแวดล้อมเป็นต้นมาที่เรียกว่าเสนาสนะสัพะยาคือสถานที่เราเข้าไปบําเพ็ญเพียรเนี่ยมันต้อ ง, ค, องคือกูลถ้าไปบ้านคนเกินไปต้องออกไปบินธบาดกว่าจะได้อาหารเนี่ก็เหนื่อยเลยเดินไปกลับเนี่ยก็เหนื่อยะ่ะเพราะพอฉันเสร็จเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจิตมันจะไม่พร้อม มันจะน้อมไปในทางง่วงนอนเพราะว่าเหนื่อยนอนไม่พอหรือไม่งั้นก็จะอาจจะน้อมไปทางง่วงนอนเพราะอิ่มไปเพราะหลักการต่างๆมันจึงชายกะูุตุสปายะคือฤดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมจะต้องไม่เสียดแทงเกิดไป ถ้าเกิดอะไรมันจัดขึ้นมาร้อนจัดหนาวจัดฝนตกหนัก ก, ก็เอามาอยู่เหมือนกันเพราะจะต้องหาบรรยากาศเขาเรียกว่าอุตส่าปยาคืออาหาราคือฤดูเนี่ยเป็นที่สบายบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆนี่เคือค่อกุลให้เราสังเกตเราแม้แต่ว่าเราไปนั่งสมาธิใน ท, ท, ท, ที่ใกล้ข้อหมูแล้วก็เหม็นขี้หมูนี่เอามาอยู่แล้ว เป็นไวแต่ท่านอยู่กันตรงนั้นจนเคยจนไม่รู้สึกมีกลิ่นแปลกมันก็แน ว, แนวแค่้คๆกับมหาชัยนะคือเราถ้าเราไปมหาชัยเนี่ยไปไม่ใหม่เลยกลิ่นกลินปลาเนี่ยจะเยอะมากก็เรียกว่ามึนจนคัดจมูกแล้วมึนสีษะเลยแต่พอผ่ า, านไปสีห้าชั่วโมงมันก็หายไปท่านที่กลิ่นยังอยู่มันก็ปรับความคุ้นเคย ทีนี้พวกอาหารเองคือสรุปว่าปจนะัจจัยสี่เนี่ยคือพวกเครื่องนุ่งห่มก็ดีอาหารก็ดีที่อยู่เทีย า, าสายก็ดีตลอดทั้งยาแก้โรคบางทีจะต้องมีความคือกุลแล้วก็บุคคลที่ร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันจะต้องเป็นปจัจจัยส่งเสริมให้แก่กันและกัน ไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งเจริญกรรมสมถะอีกฝ่ายหนึ่งก็ส่งเสียงดังอย่างนี้ก็เลิกกันทําไม่ได้เรียกบุคลาสปยาห์อาหารจะต้องสปยาห์อากาศจะต้องสปยาห์ที่อยู่จะต้องสปยาห์บุคคลจะต้องสปยาหะแล้วก็องค์ธรรมนะฮะองคธรรมที่เราใช้เรียกอารมณ์กรรมฐานเนี่ย นั่นเป็นการนำเสนอให้เลือกอย่างอารมณ์สมถะกรรมฐานกาที่จริงก็มีทั้งสี่สิบหมาความสี่สิบวิธีเนี่ยคุณจะเอาอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ควรยึดติดในรูปแบบนะครับว่าไอ้สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยที่จริงก็สมเคระเข้าไปได้ยกตัวอย่างกระสินกระสินดินน้ำลมไฟอากาศช่องว่างต่างๆตลอดทั้งสีต่างๆ แต่เราต้องการใช้อารมณ์กระสินเนี่ยในสมัยโบราณมันก็ไม่มีไฟฟ้าอะไรแล้วก็สีถ้าก็ดูใบไม้ดูอะไรต่ะต่างๆถ้าที่มันมีอ่ะดินก็ดูดินถ้าที่มันมีน้ําก็ดูน้ำถ้าที่มันมียกเว้นในบางกรณีท่านอาจจะตักใส่ภาชนะขึ้นมาแล้วก็มองว่าอะไรก็ตามที่ทําให้จิตมันเกาะได้อะ เราสงบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ก็ถือว่าชได้ในปัจจุบันยังมีได้เยอะนะจะสามารถจะเป็นที่ตั้งของจิตเคือจิตมันเกาะเพื่อเกิดความสงบเพราะนี้ที่จริงมันจะเหมือนอะไรเหมือนกับเหมือนกับสติเหมือนกับลูกโคกับมังสนแล้วก็ แลต่ทำทำยังไงไอ้ไม่ใช่จิตเนี่ยเหมือนกับลูกโคกั บ, บมังสวิรัติพสติก็เหมือนกับเชือกที่ผูกคอโคเอาไว้แล้วอารมณ์กับกรรมาฐานเนี่ยเหมือนกับเสาหรือเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับอะไรก็ได้ที่ผูกเชือกอีกด้านหนึ่งไว้เฮ้ยลูกโคมันวิ่งก็วิ่ ง, ก, งก็วิ่งไปแต่ว่ามันอยู่ในกรอบของเชือกแลสุดก็จะคุ้น เพราะในที่นี้จึงต้องมีธรรมะสปายาดด้วยแต่ปัญหาที่สุงเน้นเนี่ยหรือบางทีมันเป็นเรื่องของกลัวความขาดความกลัวอาการขนพองสยองกล้าวซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากบรรยากาศสภาพาบแวดล้อมเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําให้เกิดอาการขนพองสยองกล้าวนี่จิตมันก็วิ่งออกนอกอะเอาไม่อยู่ละทีนี้บางครัง้งบางคราวเนี่ย โดยพื้นเขาเรียกว่าโดยอัติยศัยความเป็นคนขลาดคือนิสัยเป็นคนขลาดกลัวแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องผีสางนางไม้นะ่ะอะไรต่ะต่างๆที่หลอกหลอนเนี่ยเพราะถ้าอาจจะปรุงถ้าอาจจะปรุงอย่างงั้นอย่างงี้ผีอย่างงั้นอย่างงี้ก็ว่าไปเลยก็ใจมันก็วิ่งอ่ะเพราะแนตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าอย่าง <c oughs> แนวที่ส่งแสดงไว้ในทชักกสูตรคือสูตรที่ว่าด้ยอดแห่งถงโดยต้องการจะแก้ปัญหาประเด็นของความหวาดกลัวสะดุ้งอาการนขนคองเสียงกล้าวจิตไม่ยอมนิ่งก็ทรงสอนใหต้ตั้งสติระลึกอยู่รู้อยู่ที่อนุสติสามข้อคือพุทธานติธรรมติสังฆานุสติ ในชั้นแรกก็ใช้วิธีการสาธยายการสาธยายก็คือสวดอิติปิโสพระกวาหังสมาธิมุทโวิชาานังสัมปนุสุกโตโลกาวิทูนุตโรบริสุรามาสารติรสัพทาเดวะมนุสสานังไอุตโธพระกวาดิ์ก็สวดกลับไปกลับมากลับไปกัมาเพราะจิตมันเกาะอยู่กับบทพระพุณทุกคนอีกชั้นหนึ่งก็คืออาจจะนาบทใดบทหนึ่งมาเป็นบทภาวนาบริกรรมเช่นมุทโธก็ดีอรหังก็ดี หรือแม้แต่สมมาสมุทโธหรือภะกวาอะไรก็ตามก็เป็นที่ตั้งของจิตอ่ะให้จิตมันเกาะยึดได้จิตตจะจอยู่กับเรื่องเหล่านั้นได้เพราะเรื่องเหล่านั้นที่จริงมันไม่แปลกอะไรอะไรก็ได้เพียงแต่มีข้อมแม้ว่าอย่าใ ก, กล้ต่อราคะเรีออยกใกล้ต่อโทษสารเมื่อเราจะดูรูปสวยๆไม่ได้มันจะใกล้ราคะ ดูรูปคนที่เราไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ได้เพราะมันใกล้ต่อโทศาสตร์มันก็ต้องหีกเลี่ยงอารมณ์แบบนั้นวันเราสังเกตวันแนวที่ส่งสอนให้ไม่ประมาทคือตั้งสติและลึกรู้อยู่เวลากระทบอารมณ์เนี่ยโดยใช้สติสัมปชัญญเะเป็นหลักแล้วก็มีความเพียรเป็นพลังที่ขับเคลื่อนจิตให้ สติสัมปญญาบีรืกรู้แล้วก็สัดสินวนิจิตัยอารมณ์เราดันออางนั้นโดยเฉพาะยิ่งกับอารมณ์ที่เป็นคัดสนกกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดกระตุ้นให้เกิดความขัดเคืองกระตุ้นให้เกิดความรุ่งโรงกระตุ้นให้เกิดความประมาทมัวเมาสติสัมปญญาจะต้องวินิจฉัยอารมณ์เราดันั้นแล้วสียบหรือสงบกับความคิดเราดันั้นซึ่งหมายความว่า ใจก็ตั้งมั่นอยู่กับกุศลเพราะว่าใจมันได้รับการประคับรคอง้วยสติชนัญญาความเพียรตรงนี้จึงถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทรงรับสั่งแสดงโดยก็ยกตัวอย่างนะว่าเป็นเป็นอะไรล่ะคือเป็นคำนำความในตอนต้นรับสั่งว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดง วนาปัตถะปริยายเหตุของการอยู่ป่าชัดเเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังปริยายนั้นจะใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิสุเหล่านั้นก็กราบทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าข้าก็แสดงความพร้อมที่จะฟังหรือรักสั่งว่าลูก่อนพิสุทั้งหลาย พิสูจในธรรมินในนี้ย่อมเข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมั่นอานิาสงสที่ยังละไม่สิน้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปพิสูจนนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูง ที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุจนุนชีวิตก็คือจีวรวิธ บ, บาเสนาสนะและก็อยาแก้ยๆเนี่ยที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากสุกยคพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจ์นั้นพึงพิจารณาเห็นอย่างดังนี้ว่าเราเข้าอาศัยป่าชัดนี้อยู่ เมื่อเรานั้นเข้าอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสวาที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปอโปรดปรงจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุส่วนปัจเจกรื่องอาศัยทั้งสี่ประการนั้นที่บประชิตจำเป็นจะต้องนามาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายพิสูจน์นั้นควรหลีกไปเสียจากป่าชัดนั้นในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันก็ตามไม่ควรดูเพราะอะไรเพราะจะมีมันมีปัญหาปัญหาเรื่องจากสมมติเปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยคือมันขาดแคลนอาหารแล้วก็ฉันไม่พอความวมีพวกก็เกิด แเราเห็นว่าพบความหิวเกิดมันจะมันจะเห็นอาการนิวรันชัดเจนมันจะกลายเป็นปฏิฆาคือหงุนหงิดปฏิฆะมันก็คู่กับอุทจกักจักรุจจะนะผู้กุกุจจะนั่นคือพวกราคาญงุดหงิดไปถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดปฏิฆะแล้วก็อาจจะโทสะแล้วอาจจะเกิดเป็นหนาา้าข้าพยาบาท แม้ความด้หิวมากเนี่ยกิเลสประเภทโทสะนี่ก็จะเกิดหรือไม่งั้นก็จะแกว่งไปทางฟุ้งซ่านไปคิดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้ น, นเพื่อนเขาอยู่เขากินกันสบายๆเรามาทรมานร่างกายอย่างนีน้เหมือนกับสัตว์ที่เขาทอดจริงอะไรแต่ละก็ตื่นตัวเองไปทีนี้ถ้าอาหารมากเนี่ยอาหารมากเกินไป รุ่งระอาผู้ฟ้าพุ่งเฟือยจนเกินไปแล้วก็ต้องรู้จักประมาณคือไม่บริโภใคให้มากเกินไปแล้วกะว่าอีกสักสี่ห้าคำจะอิ่มให้หยุดใชแล้วก็ดื่มน้ํารู้สึ ก, กว่าพออิ่มหญ่รู้สึกอิ่มมากให้รู้สึกว่าพออิ่ ม, ม, ม, กกออมแล้วก็สามารถอยู่ได้คือไม่ถูกความเบียดเบียน แต่ตรงนี้มันมีปัญหาคือปัญหาใหญ่ในการเจริญกรรมฐานเนี่ยเฉพาะที่ทรงยกมาที่นี่แล้วลองสังเกตว่าประการแรกก็คือสติที่ยังไม่ทํามันมันก็ไม่ทํามันเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันไปประักพูนอยู่กับปัจเจศีอย่างใดอย่างหนึ่งนะะแม้แต่อย่างเดียวก็ยุ่งแนละ้ว น, นี้บางทีก็แสดงเป็นรูปเขาเรียกปริโพธ คือเครื่องกังวลมันเหลียวรั้งจิตเข้าไปหามันมันจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้่ว่าจิตมันจะวิ่งไปหามันแทนที่จะอยู่กับกรรมฐานเพราะสติมันไม่ตั้งมันไม่ตั้งมั่นเพราะสติวิ่งไปรับไปรึกถึงอารมณ์ที่ตัวเองขาดแคลนต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในสิ่งหลนั้นทีนี้เมื่อสติไม่ตั้งมั่นเนี่ยในจิตก็จะไม่ตั้งมั่น จิตมันไม่ตั้งมั่นอยู่ก่อนทีนี้เมื่อสติมันแฝงเนี่ยจิตมันก็แปฝงเพราะอย่าลืมว่าเมื่อสติตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นเพราะว่าเสติมันจะเสริมให้เกิดสมาธิเมื่อจิตเมื่อตั้งสติระลึกรู้อยู่เนี่ยจิตก็สงบก็เป็นสมาธิแล้วก็กระบวนการของอินทรี่ห้าคือสภาวิยสติสปาธิปัญญาก็ขยับขยื่นตัวเองขึ้นมาหนุ์ ก็จิตใจก็จะตั้งมัน่นแต่ตอนนี้มันไม่ตั้งมัน่นพอไม่ตั้งมั่นเนี่ยจุดที่เราต้องการจริงๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จะึะทรงแสดงว่าอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปเพราะไรเพราะว่าอาสวะเนี่ยเฉพาะในที่นี้สรงใช้คําำ อ, อาสวะเพื่แสดงว่าเป็นการพูดถึงผลสูงสุดเพราะการสิ้นไปของอาสวะเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระอาราันตะกีนสบ คุอคนอื่นมันไม่มีใครหมดอสวะเราแม้แต่พระนาคา ม, มีอสวะก็ยังไม่หมดเพราะในอสวะแม้จะมีสามข้อมันจะเรื่องใหญ่เลยกามอสวะอสวะคือกามความรู้สึกกำนัดรักใคร่พอใจยินดีปรารถนาต้องการเพลดิดเพลินหมกมุ่นก็แล้วแต่มันจะเข้มข้นขนาดไหน พราะเราเห็นว่าตรงนี้มันลดความรุนแรงลงมาตั้งแต่ศีลแต่เช่นว่าศีลห้าจเรากำกับได้รักษาได้เนี่ยมันก็กำกับจิตไม่ให้รู้อำนาจแกกิเลสประเภทหยาบหยาบศีลมันก็เหมือนกับเขื่อนที่กั้นเอาไว้ไม่ให้น้ำทะลักล้นมาแต่ทีนี้ถ้าหากว่า พวกนี้มันมันมันมันไม่สงบอะสติยังไม่ตั้งมั่นเราจะเห็นว่าจิตมันจะเหนียวนึกในถึงกรรมฉันก็กลายเป็นเป็นอาการของของนิวรณ์นะครับประการเพราะกรมฉันเนี่ยคนที่จะดับเขาได้คือบรรเทาได้จริงก็บรบรรเทามาตั้งแต่ศีลจนถึงอริมัชระดับปโสรบันเนี่ยก็บรรเทาได้แล้วอเพราะปโสรดบันในศีลห้าเขจะเกิดโดยอัตโนมัติ เขามาพร้องกับมาคนอย่างพระโสดาบันนั้นจะไม่ผิดสีนหน้าจะลืมมันสีหน้าเป็นเรื่องใหญ่องค์ธรรมเราจะเจอบ่อยเราเจอสีนหน้าบ่อยเพราะมันเป็นฐานของสังคมเพราอถ้าสังคมปราศจากหลักของศีนหน้าเนี่ยสังค ม, มันก็ป่วนอ่ะมันไม่สงบหรอก มันจะเกิดทั cus, us, space, ้งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องมันจะเกิดซ้อนกันทั้งสองปัญหาเพราะฉะนสิ่งที่เราเรียกว่าสวัสดิภาพมันก็มีไม่ได้สิ่งที่เรียกสวัสดิการมันก็มีไม่ได้สิ่งที่เราเรียกพารดรภาพคือความเป็นที่เป็นน้องมันก็มีไม่ได้สิ่งที่เรียกเสรีภาพมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ตลอดถึงสิ่งที่ คอยฝันกันมากเกิดสมภาพเนี่ยความเสมอภาคกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งจะถูกรังแกจะถูกเบียดเบียนจนเกิดสภาพความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคนกลุ่มหนึ่งมีความเดือดร้อนลําบากในการเป็นอยู่แล้วก็มีคนมาเบียดเบียนมารักขมโมยมาฉกชิวงวิ่ราวต่งตางๆเพื่อนแย่อยู่แล้วก็ไปแย่มากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องั้งสีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับสังคมนะสังคมพูดเราเป็นสังคมที่ิแปลกแต่จริงเมื่อวันก่อนไปบรรยายเรื่องทำไมโรสนาถึงเสื่อมมาจากอินเดียที่โรงพยาบาลไม่ใช่ยุต ก็คล้ายๆกับเป็นปทาทกฐาย่อยนะฮะถือว่าเปลี่ยนกันพูดคนละสามสิบันจีคุณสุขภาพสตรีที่ไปทำรายการตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เล่าเรื่องในเชิงโบราณคดีมาก็พูดในเชิงประวัติศาสตร์คุณหมอสมพลท่านก็พูดในเชิงสังคมไทยเ็ยจะเห็นว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ที่เราลืมไปว่ามันเป็นปัญหายุทธิศิาพระสังคมขาดแคลนศีลทั่าประกาศเนี่ยศาสนธรรมก็ตั้งมั่นได้ยากเพราะาเหมืองก็ไปทำลายหมดเลยธรรมะทั้งหลายสติสมัญญาหิริอดตระประเมตตากรุณา สัมมาชีพอะไรมันถูกทำลายหมดเลยโ่วปีที่หมดแต่ที่จะสังคมจะสงบมันก็ไม่สงบอย่างนี้เราลองดูตัวอย่างว่าเรื่องไม่เลิกแล้วต่อการสักศีไม่มีใครคิดเพื่อชาติบ้านเมืองอาจจะ ก, กู้ชาติเนี่ยพูดทำไมอะชาติบ้านเมืองเป็นอะไรคนมีฐานะหน้าที่อะไรที่จะมากู้ชาติ คนต้องมีฐานะมีตำแหน่งนะแล้วก็มีอำนาจจริงจะ ก, กู้ชาติได้มันไม่ใช่ใครก็ไม่รู้มาประกาศจะกู้ชาติมันป่วนชาติมันไม่จะกู้ชาติชาติเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครในตอนนี้แต่ว่าทาไปทามาเนี่ยอาจจะตกเป็นทาสเป็นนิสิน i อ f อมเอฟมากอีกอีกครั้งหนึ่งก็ไดนะ้นั่นคืออะไรอ่ะคือหมายความว่าสติมันไม่ตั้งมัน่น ยิดไปไม่ตั้งมัน่นทีนี้การมาสวะก็เยอะเลเพราะว่าสวะต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นแต่ไม่ข้าตามประออกตามประตูตเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่มีลักษณะของประชาธิปไตยเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเป็นวิธีการประเด็จการหมู่เพราะอะไรเพราะว่าเธอเธอมากไปด้วยอาสวะ สติเธอก็ไม่ตั้งมั่นจิตของเธอก็ไม่ตั้งมั่นเพราะว่าไปในจิตเป็นมา ก, กาดียวว๋ยอ า, า, าสวะทังกายอาสวะปอะอาสวะวิชาอาสวะแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ประโยชน์ต่อไปเนี่ยท่านผู้ฟังลองสังเกตนะส่งใช้คําว่าภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปอโปรดปรุงจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุโยคะก็เหมือนกัน คือโยคะกับอาสวะเนี่ยบางทีเขาเรียกสลับกันคือเรียกซ้อนกันอยู่ในธรรมกลุ่มเดียวกันนั่นแหละบางทีเรียกโยคะบางทีเรียกอสวะบางทีเรียกกันทะบางทีเรียกว่าโอคะพุ่น้ำคือกิเลสแล้วก็อยู่ในกลุ่มของพวกเอเจวสังโยดเดวันุสัยอะไรกิเลสแล้วคือกิเลสเรียกชื่อได้จนเยอะ ทีนี้ทำที่เป็นกเกษมจากโยคาหรือปลดปลงจากโยคะเ น, นี่ก็คือนิพพานแต่นั่นเองเพราะในความเป็นโยคะมันมันมีอวิโชค า, โาคะคือโอค่ะคือวิชาหรือโยคะคือวิชาอยู่ด้วยเราสังเกตว่าแนวมงคลสูตรข้อสุดท้ายนะฮะที่ทรงแสดงว่าพุทธสโลกธรรมเมหิจิตต ok, ังย ok, ัสานกรรมปติอรุกอสุกังริจังเขมังเอตมังการมุตมัง เป็นการแสดงสภาวะทางจิตของพระอระหันต์เนื่องจากไม่มีกิเลสภายในอันดับอาศสวะดับโยคาได้หมดผนท่านจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์โลกทั้งหลายที่รบแปลว่าอารหังแปลว่าไกลนะในความหมายว่าไกลเนี่ยหมายความใกล้ก็เหมือนแค่ไกลเพราะว่าใจท่านไม่รับเลยเป็นไกลจากกิเลส แต่ไกลาจากทุกอย่างสิ้นเชิงเพราะตรงนี้อย่างที่เคยบอกว่าพระธรรมเทศนามีพระอรหันต์เป็นยอดคือมุ่งไปสู่ทีพระอระหันต์แต่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้สัต์สางเนี่ยเหมือนจิตสติจะตั้งมันไม่ได้จิตจะตั้งมันไม่ได้เพราะพวกนี้ก็เรียกเป็นอันญยญับันยปัจจัยของกาลกัน อาการที่สติตั้งมั่นหรือจิตตั้งมั่นเนี่ยหมายความว่าอาสวะเองก็ต้องจางลงโยคะเองก็ต้องจางลงแต่ยังไม่จางมันก็ตั้งมั่นไม่ได้เพราะพวกนี้มันมันชักกเยอะกันอยู่เสติก็ดีนะฮะสติก็ดีหรือว่าจิตที่ตั้งมั่นก็ดีเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็ที่จริงก็คือเป็นเป็นมรรคทีนี้พวกที่สงใช้อาสวะกับโยคะเนี่ยที่จริงมันก็อสมุทยัย แลเราเห็นว่ามรรคนี่มันเป็นตัวทำลายสมุทยัยนิมมรรคกับสมุทัยก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามรรคนั้นเป็นทางแห่งทุกนำไปสู่ทุกแต่มรรคนำไปสู่นิพพานเฮ้ น, นี้ก็เลยก็ต้องต่ อ, ต, อ, ต, อต่อสู้กันภายในจิตดังนั้นก็ทรงแสดงว่าถ้าถ้าพิจนารณาดูว่า สติเราก็ไม่ตั้งมัน่นจิตเราก็ไม่ตั้งมัน่นอสวะก็ยังลาบไม่ได้โยกะก็ยังไม่สงบแล้วก็ปัจจัยที่เกือ้อกูลต่อการดบรงชีวิตของภิกษุคือปัจจัยสี่เนี่ยมันก็อาหารและยากกขาดแพก่แสดงว่าลำบากด้วยปัจจัยสีขาดขาดอาหารและสัตะยะ แล้วก็มาขวามมาขาดเสนาสนะสัพยัสยุทธ์คือว่าที่อยู่อย่างนี้ไม่เหมาะควรที่จะอยู่แต่ต้องคิดเอาไว้นะว่าเราไม่ได้บวชเพื่อสแสวงหาปัจจัยสี่ในลักษณะปรนปลือตัวเองบบรุงเรือตัวเองแล้วปัจจัยสี่ก็ต้องอาศัยเพื่ อ, อยังอัตภาพไปเป็นไปให้ได้ทีนี้เมื่อมันขาดแคลนจนขนาดก็อยู่ไม่ได้ ปัจติเสริมข้างนอกก็มีปัญหาไอ้ข้างในคือจิตสติสมรรัญญาความเพียรเนี่ยก็มีปัญหาก็แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะบำเพ็ญเพียรปฏิบัติเพราะเราจะพบว่าบางทีเนี่ยพระต้องย้ายที่เยอะกว่าจะลงตัวไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง สาภาพไปล้อมเกื้อกูลต่อการปฏิบัติพัฒนาจิตท่านก็ประสบกับความสําเร็จในที่เหล่านั้นโดยอย่างพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอุรุเวลาเสนาในขมตอนที่จะบําเพ็ญเพียรทางจิตคือเปลี่ยนตทุกรกริยามาเป็นเพียรทางจิตเนี่ยโซนเน้นที่ความสะดวกสบายของสาภาพไปล้อมจิตมันเกื้อกูลต่อการทําจิตใ้สงบ โดยทุให้ผลว่ามันไกลจากหมู่บ้านกลางวันเนี่ยคนไม่เข้ามาพุกครลงกลางคืนนี่เสียงจากหมู่บ้านนี่มาไม่ถึงคือเสียงไม่รบกวนในขณะเดียวกันก็นกใกล้แม่น้ำะสะดวกในการใช้น้ำการอาบการบริโภคอะไร ต, ไต่างๆการดื่มแล้วก็บ้านที่จะปินบินทบาปะก็ไม่ไกลเกินไป ก็เหมาะแก่การมาเป็นเพียรเพราะว่าพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นโพริสัตว์หรือไม้แต่สมัยเป็นพระพเจ้าแล้วเนี่ยก็เสวยพระอาหารเพียงครั้งเดียวแต่บิณฑบาตแต่สมัยนั้นก็ถือว่าพอหรือยังพอแลอ้วก็หยุดนะบิณฑบาตแต่พอสันไม่ได้เอาให้เหลือไม่ได้เก็บมาให้เหลือแต่อย่าลือมาสภาพสังคมก็เปลี่ยน พระเราในตอนหลังเนี่ยมันต้องเลี้ยงดูพระเนรนะฮะเลี้ยงดูนเนเรเลี้ยงดูเด็กนเนรไม่ค่แปลกทลายเธอบินสบาตได้แต่ว่าเด็กอต้องดูแลเขาเพือนก็ทําให้วัดมีส่วนในการเลี้ยงเด็กอยู่เป็นจงหัวเมากงเด็กเรานี้ก็ในการต่อมาก็จะเริญเติบโตดูแลบ้านเมืองกันมาทุกยุคทุกสมัยนะ มันเป็นเรื่องของยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ได้ทำาดยความโลภอยากได้อะไรนะเว้นไว้แต่พวกปลอมบวชตรงนี้เรื่องนี้ทีนี้ในในในประเด็นที่2เนียประเด็นเนี้ยรับสั่งว่าดูก่อนพิสูจน์ตงหลายพิสูนนั้นควรลีกไปเสียจากป่าชัดนั้นในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันก็ตามไม่ควรอยู่ไว้ตอนไหนก็ได้ ไม่ควรอยู่ในสถานที่นั้นเพอเธออยู่ก็ไม่ไปไม่รอหรอกก็มีปัญหาที่น่าคิดนะว่ามีพระบารรูปเดี๋ยวพระเจ้าจงใจให้จงประไัยให้ตั้งประไถยไปอยู่ตรงนั้นแหละพระทรงรู้ด้วยพยามนมาพระชุดนี้จะต้องบรรลุมรรคผลตรงนั้นแหละไปที่อื่นไม่ได้ยาในกรณีข้างการณีเมตตาพสุที่เคยลาฟังว่าพระถุกผีหลอกจนต้องหนีกลับเข้ามาพระผูเจ้าที่ระเชิวัน พุทเจ้าไล่กลับไปเลยไปอยู่ที่นั่นเมื่อก่อนเนี้เธอไปไม่ได้อาวุธไปตอนนี้จะให้อาวุธไปต่อสู้กับพวกอมนุษย์<ม>เขาเรียกว่าธรรมาวุธบางทีเรียกว่าสมนาวุธนะฮะ<ม>รมอาวุธคืออาวุธคือธรรมะสมนาวุธคืออาวุธของสมณะแล้วหน้าก็ไปผุดสงบซึ่งก็เป็นธรรมะที่ทั่วไปแก่คนทั้งหลาย ไม่ได้เจาะจงมาต้องเป็นพระหรือว่าเป็นชาวบ้านนะแต่ว่าพอดีเป็นการแสดงแก่พระทีนี้ในในในตอนที่สองในจัดเทศของการอยู่ป่าว่าพิสูจน์ในธรรมใ น, นนี้เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใด ห, หนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดเนี่ยนั้นอยู่ สติยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิน้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปและที่สุนั้นก็ไม่ได้บรรลุธรรมเกษมปลดโปร่งจากโยคะเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเห อ, เห อ, เหอกับอแรกส่วนปัจจัยที่เกื้อกูลเป็นเครื่องอุดหนุนชีวิตคือปัจจิศที่บัญชิตบัญพัญจพิญณา มันประจิตจําเป็นต้องนํามาบริโภคปัจจัยสี่เหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ยากมันเกิดขึ้นโดยง่ายนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันพิสุก็ต้องคิดนะว่าเราเข้าอาศัยป่าชัดนี้อยู่เมื่อเราอยู่ในป่าชัดนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิน้นก็ไม่สิน้นไม่ถึงความสิ้นไป แต่เราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันกเกษมปลอดโปรงจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่ได้บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากจีนี้ต้องกลับมาบอกตัวเองว่าแต่เราก็ไม่ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุของปัจเจีแต่เมื่อเราเข้ามาใส่ป่าชัดนี้อยู่สติก็ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันเกษมปรับปรุงโยค่าอย่างสูงที่ยังไม่ได้บรรลุด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วควรหลีกไปเสียจากป่าชัดนั้นไม่ควรอยู่นั้นก็แสดงให้เห็นได้ว่าแม้อย่างอื่นจะพร้อมนะฮะแต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมันนะ่นจิตมันไม่ตั้งมัน่นแตบบ่สติ ก็ยังไม่ตั้งมั่นจิตก็ไม่ตั้งมั่นกิเลสก็ไม่ได้ลดเลยแสดงว่ามีปัญหาที่ตัวสถานที่ก็ได้มีปัญหาที่เงื่อนเวลาก็ได้แต่มันมีปั ญ, ปญหาเรื่องปัจเจศีเพราะว่าปัจเจศีนี่หาได้โดยไม่ยากก็ยังรับสั่งให้ออกไปก็บอกว่าไม่ควรอยู่ แต่ไม่ถึงกัเร็วอย่างอย่างอย่างอย่างประเภทแรกนะคือว่าเพียงแต่รับสั่งว่าไม่คนอยู่นั้นทีนี้ประการต่อไปเนี่ยมันมั น, ม, นมันเกิดสภาพพร้อมสภาพพร้อมคือหมายความว่าสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏขึ้นอันนี้คือคือสาระหลักของการมาเป็นปเพียรไปเรื่อยไปเรื่อยไปเร่อย ยิ่ที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอานสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและพิสูจน์นั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปอโปรดปรงจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่ได้บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งสี่ประการเนี่ยก็คือขึ้นได้โดยโดยยากสมมุติว่าเกิดขึ้นได้โดยยากอะแต่ทีนี้แต่ผลจากการหล่อมันเกิด ผลจากกาปิบัติมันเกิดพิสูจก็ต้องตัดใจว่าเราไม่ได้บวชเพราะปัจจัยสี่ไม่ได้มุ่งบนปลือด้วยปัจจัยทั้งสีป่ประการเพราะปัจจัยทั้งสีป่ประการจึงเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเพราะอาศัยได้ก็แล้ว ก, กันจะไม่ประโยชน์ก็แล้ว ก, กันสมมติบาลีมีอยู่คําหนึ่งเขาเรียกยาปนัดตังคือยังอัตภาพไปเป็นไปได้โดยไม่เจ็บป่วยไม่ร่วงโรยไม่อิ่ ถูกความหิวกระหายเสียบแทงอะไรเกินไปก็พยายามสอนตนเองว่าเป็นเนื้อหาสาระจริงๆของเราก็คือการลดลงของกิเลสการเพริ่มขึ้นของธรรมะทีนี้เมื่อธรรมะเกาเพิ่มขึ้นก็หมายความกิเใหญ่ก็ลดลงในรับษั่ว่าลูกกรุพิกูุท์ตงหลายพิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ควรอยู่ในป่าชับนั้นไม่ควรหลีกไปเสีย พระอรพอมันเดินแล้เดินหน้าแล้วซึ่งแน่นอนว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายที่มีชื่ออย่างไรก็ตามค่อยๆจางไปนะไม่ใช่ว่าพวดเดียวพวดเดียวมันต้องระดับคนที่มีบารมีมหาศาลมากอย่างใล้ๆกับพวกเนี้ยอย่างพวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานาเนี่ย ภาษาดิบุตรฟังจากพระสัจฉิแต่พระโมคคัะลา น, ะนั้นฟังจากภาษาดิบุตรเนี่ยแล้วก็พวกนางสามวมาวดีอีกชุดหนึ่งคือฟังจากนางขุจุตระาพู้ผู้หญิงห้าร้อยเนี่ยฟังธรรมะจากนางขุจุตระาซึ่งจำมาจากที่พระเจ้าสมเทสในวันเทศแล้วผู้หญิงโดนั้นฟังผู้หญิงโดนั้นก็ได้บรรลุมรรคผลท่านจริงยอดของ พระธรรมก็ถึกนย่อคนฮักเทศเป็นผู้หญิงเป็นคนชายก็เก่งมากเป็นเรื่องที่น่ า, ท, น า, ท, นาที่น่าชื่นชมยินดีก็ลองสังเกตอย่างหนึ่งว่าผู้หญิงถ้าเข้ามาด้านนี้เนี่ยเขาไปได้เยอะนะก็ตั้งใจจริงก็เอาจริงคือเราก็มีมหาอุบาสิกาสาคัญสำคั ญ, คญนะเช่นอุบาสิกาแมบมารีรนนุน ผู้หญิงระเบียบสุนทรนิ์ฉตดหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเช่นวบบหมอบงกฎอย่างเนี้ยหรือว่าไม่ไม่ฉีดสันสนนีอย่างเงี้ยคนนี้เก่งๆว่กแล้วก็มีหลายท่านนะฮะจินอาจารย์อะไร่ะอาจินส่วนอาเคสมจินอะไรอาจินเนี่ยแต่แต่เนี่ยนะก็จริงอธิบายธรรมารได้ดีแล้วก็ อย่างนี้เขามีก้าวก้าหน้าไปจนถึงของผู้หญิงเขียนหนังสืออธิบายธรรมะเก่งก็ดีก็ช่วยกันราจร่จริงๆแล้วเนี่ยพยากรที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นหลักการดูแลพระศาสนาใช่ไหมฮะจะเห็นว่าไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นกุศลนผู้หญิงจะมากอว่ผู้ชย แล้วก็เป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมข้อที่ควรที่ควรสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าปัจจัยข้างนอกนั้นจะบกพร่องไปบ้างอะไรก็ช่างมันนะเพราะว่าเราก็หลีกเล่นเราก็หนีเรื่องเต่า น, นั้นมาแล้วหรืเราต้องการจะปนปรือตัวเองบำรุงบรือตัวเองให้ อุดมสมบูรณ์ด้วยการมคุณ้งหลายมันก็ต้องต้องสึกะมันก็เหมือนกับเครื่องผูกพันใจในข้อสุดท้ายข้อที่ห้านี่ยเห็นว่าการปฏิบัติไตสิกขาแล้วก็ปรารถนาการเป็นเทพบุตรนี่มันนอกเรื่องเลยก็แสดงอะไรแสดงว่าไอ้สติถ้าก็ไม่ตั้งมั่นจิตก็ไม่ตั้งมั่นอาสวาก็ยังละไม่ได้แล้วก็ อความปลอดโปร่งจากโยคะก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงส่วนสิ่งเหล่า น, นี้ก็กลายเป็นเรื่องผูกพันจิตเอาไว้เหนีย่ยรังจิตเอาไว้จะพัฒนานจิตจะยกระดับจิตจิตจะสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เันประเด็นตรงนี้อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องป่า เป็นการสอนในกรณีที่ไป อ, อยู่ในปา่าต่เวเนี้ที่จริงเช่นเชนสมมติเราห้องประปากาศอเนี่ยมันก็ก็ดีเราก็สามารถทำจิตให้สงบได้แล้วก็ป่าในที่บางแห่งก็ยังสามารถทำจิตให้สงบได้อยู่มนแต่บ้านเรือนนะฮะเช่นสมมติว่าในช่วงคนอื่นเขาก็าตื่น เขาตอนหัวค่าเนี่ยเสียงก็ส่งเสียงดังพูดคุ ย, ยะอะไรต่างกันเราก็นอนไปเลยนะ้วก็หลับเราก็ตื่นแสดงว่าที่จริงกับบ้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเวลานอนเสได้ในขณะที่เขาหลับเรานอนเอในในขณะที่เขาหลับเราตื่นในขณะที่เราตื่นที่ก็ตื่นในเราก็นอนเราก็หลับใช่ะบรรยากาศมันก็ให้เหมือนกัน เพราะนื้อหาสาระที่ทรงเน้นในที่นี้ก็คือสติที่ยังไม่ตั้งมัน่นไต่ตั้งมัน่นแต่จิตที่ยังไม่ไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอสัว์เริ่มจางคลายออกไปกิเลสก็จางคลายออกไปวันใต้ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพราะว่าทรงพูดเป้าหมายสูงสุดนะทรงแสดงเป้าหมายสูงสุดก็อยู่ที่นั้นอย่าหลีกไป ก็แสดงว่ามีสองกรณีที่ส่งสอนให้หลีกไปแต่ว่าจริงๆเ น, นื้อหาสาระก็อยู่ที่สติมันไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมัน่นพอเสียศูนย์ตรงนี้ล้วยอย่างอื่นรวนหมดเลยตอนปลายเนี่ยรวนหมดเลยแม่อาหารแมแม่ปัจจัยสี่จะอุดมสมบูรณ์คือหมายความว่าได้สัพยาธในเรื่องอาหารแต่ว่าไม่ได้สัพยาธในเรื่องธรรมะหรือจิตมันไม่เจริญก้าวหน้า ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติพัฒนาจิตก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าประสงค์ก็ให้หลีกไปจากที่นั้นแต่ในที่นี้ไม่ต้องหลีกไปก็รับสั่งว่าภิกษุนั้นแม่รู้แล้วก็ควรอยู่ในป่าชัดนั้นไม่ควรหลีกไปเสียนี่ก็เป็นเป็นสามกรณีด้วยกันต้องฟังทลาย เสียงธรรมจากมาวิตาัยศีปทุมในวันวนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมอยู่มีท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี